วันนี้เป็นวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2559เมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทำกิจกรรมมีการตักบาตรพี่น้องประชาชนมาสู่วัดวาศาสนาล้นหลามพรถือว่าเป็นวันสำคัญพอตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถ เพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถพระสงฆ์ทั้งหมด49รูปแต่พอตอนเย็นวันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาสู่วัดแล้วก็ไหว้พระกล่าวคำถวายเครื่องสักการะในวันวิสาขาบูชาแล้วก็ได้ทำวัดเย็น เมื่อทำวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องราวล่ป ก, กล่าวส ม, มุดธนิยกาถาให้กับคณะทาญาติโจมได้ฟังเป็นเกร็ดความคิดเกร็ดความรู้ที่พวกเราเข้ามาศึกษ า, าคราวหนึ่งก็ได้แนวความคิดอย่างหนึ่ง มาคราวหนึ่งก็ได้แนวความคิดอย่างหนึ่งบางทีที่แนวความคิดนั้นก็หลงลืมไปกับเมื่อได้ฟังมาใหม่กเม็เหมือนเหมือนก็ได้ฟังใหม่แต่ตามไม่จริงก็เคยพูดมาก็มีบางทีก็สับสนคลนปนเปนกันเอาเรื่องหนึ่งมาผสมกับเรื่องหนึ่งแต่สรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลาย ได้แนวความคิดประเด็นหนึ่งแต่ละประเด็นประเด็นเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราแต่หลวงพ่อเองผู้ที่พูดจะเป็นผู้แสดงหรือเป็นผู้กล่าวหลวงพ่อก็มั่นใจว่ากล่าวแนวตามแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์กล่าวทำตามแนวแถวของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อจึงได้พูดไม่รู้ว่ากี่ครั้งว่าหลวงพ่อพูดออกไปบทไหนคาถาไหนคำพูดไหนที่มันไม่ถูกต้องอต่อหลักพระธรรมวินยัยหรื อ, อมันขัดต่อพระธรรมคาสอนของ พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็ อ, อยากจะให้พวกเราผู้ฝังทั้งหลายทั้งปวงชี้แจงชี้นาชี้ แ, แนะหรือว่าพูดขุดจุดที่มัน เ, เป็นอันตรายหรือว่ามันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยเพราะว่าหลักพระธรรมวินัยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นของกลาง เป็นของสาธารนณะเป็นของทุกคนพวกคนมีส่วนเพราะนั้นเวลาใครจะพูดเอาเข้าข้างตัวเองพูดอยังไม่ถูกต้องอตามกฎกติการือว่าตามทานองของธรรมที่ท่านได้บัญญัติไว้ที่ท่านได้พูดไว้ที่ท่านได้ตรัสเอาไว้อันนั้นก็คือเราออกพูดออกปัดออกนอกลูกนอกทางแปบลบว่าผิด กรอบศีลธรรมจริยธรรมหรือว่าผิดทำคำสอนของพุท ธ, ธะพะนั้นหลวงพ่อเองถึงจะพูดยังไงก็อยู่ในกรอบทำคำสอนถึงจะมีความในใจหรือว่าคำพูดที่แย้งออกไปก็หเหมือนกับเร า, ามีวงเล็บเอาไว้ว่านี่เป็นความเห็นนะของหลวงพ่อนะ อันนี้เราก็ได้แยงบอกกันไว้แต่ตัวไหนที่เรามั่นใจว่าเป็นหลักธรรมคำสอนเราก็พูดไปตามตรงเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาบางทีก็สลับทบับซ้อนบ้างบางทีก็ย้อนกลับไปหาที่เก่าบ้างเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็พูดทรงตัวทรงตั ว, ต, วตายตัว เป็นมาตรฐานของท่านในหลักพระไตรปิฎกอยู่แล้วพวกเรามีแต่ใจยกหยิบ ย, ย, ยกจุดไหนเข้ามาขึ้นมาอธิบายมาให้มาบอกมากล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจแต่วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบาูชาเราจะไปพูดอย่างอื่นก็ไม่ได้คือความเป็นมาของพุทธะพระพุทธเจ้าประูติ ประสูตรที่ไหนที่กรุงกระ บ, บิลพัดแต่ว่าพวกเราที่ไปประเทศอินเดียพวกเราก็จะไปเห็นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่เมืองเนปาลทุกวันนี้ก็ว่าเป็นมินเนปานอินเดียเนปาลพวกเราก็จะได้ไปเห็นแต่หลวงพ่อก็ได้ไปประเทศอินเดียเพียงครั้งเดียวกลไปเห็นนั่นแหละเป็นเห็นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้า สิพยาธรรมโสกราดปักกลักหินเอาไว้เป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเป็นที่จุดที่พระพุทธเจ้าประสูตรที่ตัตรร้ที่ปรินิพานที่มังกุสินาราเขาก็ได้ปักหมายเอาไว้อีกเหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อินพรหมไม่ใช่เทวบุตรเทวดา ไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีกายยิิธิ์เป็นมนุษย์เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์กรุงกบิลละพัทเป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินสากยะสากยะตระกูลที่เดี๋ยวนี้ก็ว่าอยู่ที่เมืองเนปาลแต่ส ม, มัยก่อ น, นที่ว่ากรุงกบิลละพัสพระปู่ เมื่อพระองค์ได้ทรงประู์ที่กรุงกบินพัทแม่พระมารดาของท่านก็คือนางสิฎิมหามายาพระบิดาของพระองค์ท่านก็คือพระเจ้าจุดโทพะนะในเมื่อประสู์แล้วท่านก็บอกว่าพระมารดาได้เจ็ดวันพระมารดาก็สวรรคตจากนั้นก็ได้ มีพระผี่เลี้ยงนางนมหรือ ว, ว่ามพีพระแม่เลี้ยงขึ้นมาอีกพระเจ้าจุโธธนะเป็นพระบิดาพระองค์ก็ได้เจริญวัยเหมือนกับพวกเราเหมือนกับมนุษย์ทั่ ว, วไปแต่การดูแลบำรุงรัก ของพระเจ้าจุโธธนะพระบิดาตลอดถึง พ, พระมารดาเลี้ยงตรองพี่เลี้ยงนางนมก็ได้ดูแลพระองค์อย่างดีเยี่ยมตามพุทธประวัติจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุขึ้นมาตามลำดับจนถึงอายุ 15-16 ปีก็ได้เข้ามงคลสมรสในยุคส ม, มัยนั้นจากนั้นก็ พระ อ, องค์ก็อยู่เป็นคราวญาครองเรือนจนถึงอายุ29ปีจึงได้ออกทรงผนวดออกบวชพูดง่ายๆแต่ก่อนที่จะออกบวชนางพิมพายโสธราที่เป็นอัคมะเหสีจนได้คลอดพระโอรสอยูอพระโอรสพระราหุน ก่อนที่พระองค์จะองค์ทรงออกบวชเจตนั้นพระองค์วันนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปชมสวนอุทยานพอกลับมาตอนเย็นก็ทราบว่านางพิมพานะโสธราประสูตธพระโอรสคือพระราหลุลแต่ทั้งที่พระพุทองค์จะทรง ดีพระไทยที่ได้พระราหูในบุตรพระองค์กลับคิดในมุมอีกมุมกลับอีกมุมหนึ่งโอ้ถ้าเราขืนอยู่ต่อไปเครื่องผูกพันเกิดคำเครื่องพันธนาการเครื่องผูกพันเกิดขึ้นกับเราแล้วนี่แหละค็ว่าราหูนราหูนเนี่ยก็คือเครื่องผูกพันที่ลาพึงเขจะตั้งชื่อว่า พระราหุลพระาหุนคือราหุนะเครื่องผูกพันขึ้นมาในพระไทยของพระองค์ขึ้นมาผูกจิตผูกใจของพระองค์คือโลกโลกนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พระองค์คิดขึ้นมาถ้าขืนอูต่อไปเราคงจะหนีออกจากเวียงวังไม่ได้เราก็คงจะพันธนาการจมปลัก อยู่กับเรื่องราชสมบัติบุรธิดาอครมเหสีราชสมบัติเราควรจะตัดสินพระไทยในวันนี้ น, ะนี่แหละคือการตัดสินใจของพระคือศิทธะถาจากนั้นท่านแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็คิดจนพอแรงแล้วละ่ะ เ, เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะ แต่เห็นสมณะเนี่เป็นเครื่องสะดุดใจเพราะว่ า, าท่านเห็นสมณะคือนักบวชคือนักพรตนักบวชสมัยนั้นมีมากแต่สมณะนักพรตท่านนี้ท่านนั่งคัดสมาธิอยู่ที่โคลนต้นไม้ตามลําพังไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครนั่งคัดสมาธิเน่งอยู่องค์เดียวศิษฐะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านก็เสด็จไปชมสวนอุทยานไปเขาไปเห็นส ม, มณะนั่งอยู่ตามลำพังก็ได้ถามนายชนะที่เป็นนายสาร ถ, ถีคือผู้ขับรถม้าว่าชนะอันนี้เป็นใครเขามานั่งอยู่ทําไมตรงนี้นายชนะก็กราบกราบทูลพระองค์ว่าอันนี้คือส ม, มณะคือนักบวชท่านนั่ง คัดสมาธิค้นคิดหาสิ่งที่ท่านต้องการภายในใจหาสิ่งที่ท่านอยากจะรู้ภายในใจท่านนั่งคิดคุ้นคิดนี่แหละสิทธะพอได้ได้ยินคำนี้เท่านั้นนะท่านเออถ้าเราทําอย่างสมณะท่านนี้ออกไปคุ้นคิดอยู่ในป่าตามลําพังเราคงจะเจอ สิ่งที่เราต้องการอย่างจริองอย่างที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราอยู่ในเวียงวังสวยราชสมบัติอยู่อย่างนี้เราคงไม่มีเวลาเราคงจะไม่มีที่จะคุ้นคิดในเรื่องต่างๆได้เพราะว่ามันภาระของเรามากเหลือเกินไม่รู้ว่าจัดการส ะ, สะแหวงหามเงินคาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงประเทศชาติบ้านเมือง ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองและก็ดูแลคนในเวียงวังและพี่น้องประชาชนพวกโมู่เหล่าการอยู่ดีกินดีของประเทศชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในเวียงวังคงไม่มีคงไม่มีเวลาที่จะมาคุ้นคิดที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าใจนี่ยนะชื่อนี้คือจุดหนึ่งที่พระสิท ธ, ธัตถะท่านมอง เห็นส ม, มณะที่นั่งอยู่ในโครนต้นไม้จากนั้นพระองค์ก็นี่หนีออกจากเวียงวังกลางคืนพร้อมกับนายชันนาม้าขันต ก, กะสามชีวิตจนไปถึงแม่น้ำเสด็จออกไปไ ป, ไปถึงแม่น้ำ อ, น โ, นนอนโนมาณอโนมาณทีแต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าอยู่ในเขตแขวงกรุงราชสคุลใกล้ๆ ก, กับพระเจ้าพิมพิสาร จากนั้นพระองค์ก็ได้บำเพ็ญอยู่ที่นัานถึง6ปีพวกเราคิดดู่ิว่าสิทธะพศพระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์แล้วออกไปอยู่ในป่าแต่ท่านกจะขนอะไรไปได้บ้างจะขนอะไรไปได้เพราะขึ้นขี่หลังมา้าแต่คนสองคนก็หนักเต็มทนอยู่แล้วะจะไปเอาแบกเสือแบกสาดแบกมอน แอบโต๊ะแบบเก้าอี้ไปได้ยังไงเพียงแต่ผ้านุ่งผมผัดเปลี่ยนเท่นั้นเขาคงจะพอแรงแล้วหนักพอแรงแล้วหลังมา้าจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้ไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีองค์เจ้าโกงจะเป็นแ ม, ม่น้ำเล็กๆลกจากนั้นพระ อ, องค์ก็ทรงผนวดเอาผ้าออกมา แล้วก็ทรงปงพระเกศาคือผมด้วยพระแสงดาบไม่ใช่ไม่มีไม่มีม็ดตรโกล น, นะจับมวยผมขึ้นมาแล้วก็เฉือนเลยตัดเลยผมมิดขมมากพระแสงดาบพระแสงขันของชิตธะของพระพุทธเจ้าคมมากจับขึ้นมากัตัดตัดที่มวยผมนั่นหละจากนั้นก็ระรงผนวด บำเพ็ญอยู่ในป่าทั้ง6ปีผลงาลูกพาหลานทั้งหลายเมื่อเราก็บวชเข้ามาแล้วนะ่เราจะไปบ่นว่าความทุกข์สิทธธ์ต้นตระกูลของเราท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าใครจะเป็นผู้ดูแลบำรุงดูแลท่านมีแต่ท่านอยู่ตามลำพังตักน้ำชั้นว่างคงจะไม่มีน้ำฝน ไม่มีน้ําสะอาดดื่มเนีแต่ท่านคงคงนั่นแหะเอาตัวรอดของท่านได้คงจะเม้นั่นแหลท่านระดับนั้นแล้วในการบริหารจัดการของท่านแต่ทั้งยังไงท่านก็ไม่ได้มุ่งหวังมุ่งมั่นทางด้านภายนอกมันท่านมีแต่มุ่งหวังมุ่งมั่นด้านทางด้านภายในคือใจของท่านจะบําเพนอย่างไง จึงได้จะได้ตัดรู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นนี่แหละการบ่มเพนของศิทธะในคราวนั้นครั้งนั้นใช้เวลาถึงหลายปีทีเดียวผลที่สุดก็ได้เขาไปศึกษากับดาบทสองท่านคือดาราดาบอุตกรดาบดแต่พิจารณาดูแล้วไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางที่ตัวเองต้องการ ก็เล็กกลับออกมาอีกบําเพ็ญตามลำพังอีกอเมื่อบําเพ็ญตามลำพังคืออดพกยาหารทุง49วันแล้วก็อดลมกั้นลมปิดปากปิดจมกูกปิดหูจนลมกระทุ่งขึ้นไปเบื้องบนจนขึ้นไปพบนจนสลบไม่ใช่ธรรมดานละสลบ พอสร็จทีนี้เทวดาที่ดูแลรักษาท่านโอ้ยสิทธะท่านจะได้บำเพ็ญได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสมาสัมโพธิญาณก็มาจากไปสิแล้วหนอเทวดาบางกลุ่มก็โอ้ยสิทธะไม่มีทางที่จะท่านจะล่วงรับรับขันตายเพราะเหตุว่าสิทธะเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะได้ ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรื อ, อยังไงก็ไม่ตายเด็ดขาดนะขนาดเท ว, วดากันยังถกเถียงกันนะเยยังออพอเห็นสิทธัตถนั่งสลบเพราะปิดปากปิดจมูกไม่ให้ลมออกลมกระทุ่งขึ้นข้างบนลมดันขึ้นข้างบนขนาดนั้นแหละบรมครูของพวกเราก่อนที่จะท่านจะตัดรู้ ท่านบําเพ็ญอดพกยาหารสี่สิบ้าวันจนผอมภายผอมไม่มีอะไรที่จะเห็นกระดาษชี้โครงทุกชี้เลยจากนั้นท่านก็กลับมาเสวยพกยาหารอีกบาเพ็ญทางด้านจิตใจแต่ก่อนบําเพ็ญทางด้านร่างกายทรมานกายให้ลำบากพอต่อมาที่จะได้สำรุจสำเร็จน่ ท่านดูใจของท่านนะิดลูกหลานคณะสัาธิโธมนะท่านภาวนาและดูใจของท่านดูตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมนี่แหละตัวนี่แหละสำคัญท่านจึงพูดตรัสเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะ ผูกหลนันผาเนนทั้งหลายาการทรมานทางร่างกายกับส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีการบำเพ็ญทางร่างกายเฉยเร่างกายของเราก็นั่นแนหะพยองพองตัวพูดง่ายมันกำลังมันเกินตัวเหมือนกับช้างาที่เราบำรุงบำเล กําลังมันแข็งแรงมันทับจิตใจนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญทางทุกข์กิริยาทางบำเพ็ญทางกายแต่ถึงยังไงไม่ใช่ทางมันต้องดูใจเพราะเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจากนั้นพระองค์จึงได้บําเพ็ญเรื่องสมาธินี่แหละเรื่องสมาธินี่คือดูใจนะคณะทายาทโยมลูกหลานนะ นั่งสมาธิเนี่ยนะคือดูใจการทรมานกายเนะะี่ยใครว่าทรมานเสร็จแล้วก็ท่านก็มองดูร่างกายท่านไม่ได้มองดูใจแต่มาคราวนี้ท่านนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธนะิเนี่ยท่านกล็ลบำลึกถึงสมัยเมื่อท่านเป็นโอรสเป็นกุ ม, มารสมัยพระบิดาไปแลกนากวันอยู่ชายทุ่งพวกสนมกำนันต่้งหลาย ก็ไปเสด็จไปด้วยพระเจ้าไปดินไปไถนาไปวางาที่ไปนั่นอะ่ะตรงไปแรลกนาขวัญจากนั้นพระองค์ศรีรัตเอาศีรัต เ, เป็นหนุ่มเด็กน้อยไปด้วยอพอไปก็คงจะนอนตื่นเช้ามั้ง ท่านก็คงจะพักพรพอ น, นางสนมกำนันพอไปถึงร่มต้นว่าที่ชายทุ่งก็เห็นคนทั้งหลายเฮโลไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาพระเจ้าจุโทธทนะเขาก็ปล่อยให้ท่านศิีธะาานั่งอยู่ตามลําพังอนอนอยู่ตามลําพังเด็กหนุ่มเด็กน้อยอไม่มีใครเฝ้าเห็นว่านอนหลับแล้วก็ต่างคนก็ต่างใจจะไปเห็น พระเจ้าแป่นดินแลกนาขวัญไถนานะปล่อยให้ศรีษะนั่งอยู่ตามลําพังท่านศรีษะพุทธเจ้าของเราเป็นศรีษะเป็นเด็กน้อยท่านเห็นไม่มีใครมันอยู่ในที่สงบเงียบไม่มีใครอยู่ในละแวกนั้นท่านก็นลุกนั่งขัดสมาธิเลยท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกพระไทยใจของพระองค์ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งฮะนี่แหละสมัยครั้งแรกครั้งที่แรกที่สุดนะพระพุทธองค์ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่นั่งขัดสมาธิแต่ทําไมพระพองค์จึงทําได้อย่างนั้นทําไมจึงถามใครเป็นคนสอนนี่แหละจุดนี้แหละ คือติดพบติดชาติมาในอดีตชาติอดีตชาติ พ, พตระพุทธองค์ก็เคยเป็นลือสีชีพไพเคยได้รับการอบรมทางเรื่องจิตภาวนาเรื่องกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่พระองค์เคยทํามาอยู่แล้วในอดีตชาติเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตชาติมันติดพบติดชาตินะคะน่าจะทายาทโยมถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหรือใน ทำคำสอนของพุท ธ, ธาแล้วคนเคยทำอันไหนไว้โดยมากจะทำอันนั้นเพราะนั้นชิตชัตทะท่านก็เคยเป็นฤาษีชีไพรมาก่อนท่านก็ได้นั่งคัดสมาธิพอนั่งคัจมาธิพะฒนยใจของพระองค์ควรวมสงบลรงเป็นหนึ่งจนเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาร่มต้นว่าทั้งที่มันจะเอียงไปตามพระอาทิตย์สองเข้าไปแต่นี้ พระอาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงสิท ธ, ธาได้เหมือนกับต้นวาดตันั้นเหมือนกับกลางกรดลักษณะอย่างนั้นและปางกลางปกจทน์พอกลางปัจทน์เสร็จแล้วก็เอามุ้งเอามุ้งกลางกลางลงไป<อ><อ>แดดเข้ามาก็ถึงแต่มุ้งท่านเองไม่ได้ส่องมหาท่านสิท ธ, ธาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินแลกนาขวัญดูสนมกำนันดูเป็นที่พอใจกันแล้วก็กลับมา เออโอ้ใครอยู่กับลูกพระลูกเจ้านะเห็นทิฏฐะนั่งอยู่ตามลําพังนั่งขัดสมาธิอีกต่างหากแล้วก็ล่มแดดไม่ส่องเข้ามาถึงพระ อ, องค์อีกต่างหากก็เป็นที่อัศจรรย์ของคนในยุคสมัยนั้นครั้งนั้นแต่จากนั้นพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกต่อไปไม่ได้ยินในพุทธประวัตินะโป่อองนั่งขัดสมาธิก็ไม่ได้เคยไม่เคยได้ยินผนละี่สุดก็ เมื่อพระ อ, องค์จะได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันเดือนหกเพนพระ อ, องค์ก็ย้อนอความรู้สึกนึกคิดไปว่าเอ่การที่เรานั่งคัดสมาธิในโคลนต้นโพขาวนั้นอันนั้นกำลัง เ, เป็นแนวทางเป็นหนทางนี่แหละย้อนไปถึงตัวนั้นแหละทีนี้จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้วันเดือนหกเพนเวันนี้แหละ เมื่อ 2,558 ปีนายโสธิยะได้ไปเกี่ยวหญ้าไปตัดหญ้าในละแวกนั้นแก็เดินผ่านมาหาหญ้าคามาแดข้างและสี่กำมื อ, อเป็นสี่มัดสี่กำพอมาเห็นท่านสิทธัตถานั่งอยู่ตามรำพังก็เห็นว่าคงจะนั่งลำบากเพราะเห็นว่าโครนต้นโพมันเป็นรากฝอยมันลอยขึ้นมาอย่างพวกเราเห็นน่ะ มมันลอยขึ้นมาลากโพจากนั้นชิตัฏฐาแหมนายโสธิยะก็ได้นำยาขาไปมอบให้กับท่านหคนที่เห็นกัน เ, นะเออจะได้รับความสะบวกสบายจะไงชิตัฏฐาท่านก็ได้ยาขาแปดกำมือจากนายโสติยะจากนั้นท่าก็มาเกลี่ยทางทิศตะวันออกของต้นโพแหมแล้วก็จากนั้นก็ขึ้นนั่งกัดสมาธิในอาสนะที่เป็นยาขานั้น นี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอินพรหม เ, เป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นมนุษย์พิเศษ เ, เป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้สังเกต เ, เมื่ออาจารย์พงขึ้นไปนั่งที่ยาคาและกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้านี่ยยึดกรรมาฐานที่สมัยเป็นเด็กหนุ่ม ที่ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาเขานั้นครั้งนั้นนี่แหละอยึด ต, ตัวนั้นมาเป็นกรรมฐานอย่างนั้นพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง เ, เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเลยวเกิดฌานขึ้นมาเลยา ยานรัตนะ เ, เกิดชาติขึ้นมาพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ไหมปุปเพนิวาสานุสติยานจุดนี้ก็ให้พวกเราสังเกตในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาท่านยืนยันยืนยันเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดท่าว่าไม่มีชาติที่แล้วแนะปลว่าเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเออพอตายตายแล้วสูญแต่อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกหลานคนณะทหาญาติโยมนะ พระองค์ยืนยันยืนหยัดเลยว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธานี่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกมีอดีตชาติชาดกต่างๆพูดมากมายในพระไตรปิฎกแต่ท้าว่าไม่มีชาดกไม่มีทำคําสอนว่าตายแล้วสูญแปลว่าหลักธรรมในหลักของพระศาสนาไม่สมบูรณ์เลยขาดตกอย่างมากน ะ, ะเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาจุดนี้ แต่ไม่ใช่ขาดการขาดคเนนะไม่ใช่ขาดการคเนหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้ที่จะรู้จริงเห็นจริงได้ตามหลักธรรมคาสอนนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ, อพูดแนวประวัติหรือว่าพุทธประวัติให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันวิสาขาบูชาหลวงพ่อพก็ได้นํา แนวปฏิปทาเรียว่าพุท ธ, ธประวัติมาเล่ากล่าวขานให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือการนั่งภาวนาของพระพุทธเจ้า ก, ก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธินี่แหละกำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกแต่เราบริกรรมพุทธโธด้วยนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทพุธทธโธจากนั้นพระไทย จากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเมื่อใจเศร้าขู่ซ้อนความสงบหน่งจนถึงอัปปนาสมาธิคณนิกะคณิกะอุปจารอัปปนาสมาธิเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งอพอเราใส่ใจสนใจจากนั้นก่อนเราจะรู้ได้โดยตนเองของเราอีกเหมือนกันตายแล้วไม่ศูนย์วะ เ, เพราะเหตุอะไร พราะร่างกายกับใจเมืันคนละอันกันเลยเห็นชัดเจนเลยในความรู้สึกของเราที่นามมาทมที่ว่าที่ว่าเป็นสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะทายาทโยมทุกคนวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญในทางพพุทธศาสนาเรานอนก็นอนมาพอสงวนแล้วละ่ะแต่ก็สู้ฝืนมันบ้างนะฝืนมันบ้างสู้มันบ้าง อย่ไปตามใจของตัวเองมากเกินไปเป็นยังไงการอดนอนการผ่อนอาหารอดหลายวันเป็นยังไงการอดนอนเป็นยังไงเราควรจะศึกษาแต่หลวงพ่ออดนอนไม่ถูกกันนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเคยอดนอนติดต่อกัน3วันสมคืนนะไม่นอนเลยทดลองเลโอ้โหแผน่นดินเหลืองไปหมดเลยเอเอแผน่นดินเหลืองเลยงัะนะ้นเออคิดอะไรไม่ออกเลย คิดมิแต่เบอร์เบอร์ไปแต่จากนั้นหลวงพ่ออดอาหารอดอาหารเออเข้าท่าว่าอดอาหารมันนอนไม่หลับอีต่างหากออการอดอาหารมันนอนไม่หลับเพราะไม่มีมมอาหารอยู่ในท้องใช่ไ อ, อแล้วก็ภาวนารู้สึกวอจับดีรู้สึกว่าภา ว, วนารู้สึกจิตใจเขาสู่ความสงบได้ดีกว่านเนี่ยแหละวิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นลูกหลานคณิศรัยญาติโยมนะ ไม่ใช่ว่าจะทํำอะไรทําแต่อันเก่าไม่ใช่นะตัวตองพลิกแพงเหมือนกับเราทาํามาค้าขายนี่ยนะขายอย่างนี้เป็นยังไงได้ ข, ขาดทุนกําไรยังไงแต่คนอื่นเขาขายได้กําไรแต่ตัวเองขายกับขาดทุนอีกต่างหากเปลี่ยนไหมแต่ศึกษาใหม่ปฏิบัติใหม่เนี่ยแหละจนถึงเป็นจนได้กําไรเป็นที่พอใจเออใช่อันนี้ถูกกับจริตของเรานะเราต้งค่อยเดินตามสมาธิ เมืทำสมาธิแล้วก็เดินทางวิปัสนาอนนีพิจารณาใช้ความรู้ของเราพิจารณาเรียกว่าวิปัสนาสมัถิคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งวิปัสนาคือนําจิตใจที่ผ่านความสงบมาแล้วกันกรองไตรตรองเหตุและผลที่เราได้ศึกษา ได้รู้ตามที่แนวแถวพุทธะตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจากนั้นเราก็จะรู้รู้เรื่องไปทีละน้อยทละน้อยละน้อยละน้อยจนรู้เรื่องทั้งหมดเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาและก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวการกล่าวปาลบวันวิสาขาบูชาวัวนนี้ ปีพุทธศักราช 2,559 ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอจุติในการพูดและตอนนี้ไปนั่งคัดสมาธินั่งสมาธินะลูกหลานนะ